ณบัดนี้ขอเชิญทกชาตทุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเทวรัหลวงกชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องไม่แน่คืออนิจจ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 ก็เหมือนบาตของเรานั่นแหละบาตขนาดใหญ่อย่างใหญ่บาตขนาดใหญ่อย่างกลางบาตขนาดใหญ่อย่างเล็กบาตขนาดกลางอย่างใหญ่บาตขนาดกลางอย่างกลางบาตขนาดกลางอย่างเล็กบาตขนาดเล็กอย่างใหญ่บาตขนาดเล็กอย่างกลางบาตขนาดเล็กอย่างเล็กมันจะเล็กสักเท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะยังมีบาตอยู่นี่มันเป็นซะอย่างนั้น